ในเรื่องสำคัญเนี่ยเราจะเห็นว่าองค์สามตั้งแต่แรกเนี่ยที่เราที่เราเรียนกันคือไตรลักษณ์ใช่ไหมองค์สามที่เกิดเกิดทุกและองค์สามการดับทุ ก, ก็คือไตรสิขาทีนี้มาองค์สามเหมนการรู้แจ้งสภาวธรรมก็องค์สามเหมือนกั น, ม, ก ม, ม, น, กนมันเนื่องกันอย่างมีนัยยะนะั้งปุเพนวาสนานุสติญาณจุดูป ป, ปยญาอาสวะขยายาน มันเนื่องถึงกันอย่างมีนัยยะทั้งทั้งสามชุดนี่นะครอบคลุมทั้งหมดของพระตะปิโดกนะหากว่าเราในภาคปฏิบัตินะซึ่งเอาละในส่วนของไตรลกักษณ์กรณีเรื่องไตสิขาเราก็ว่ากันมาหลายหลายช่วงทีนี้พระอาจารย์สงคคานทุตกลานท่านถามบอกว่าความสําคัญของการเกิดดับที่ว่ามันเนื่องกันอย่างไรระหว่างกายเวทนาจิตธรรมอาการของมันนะ จิการของจิตนะทีนี้อาการของกายของเวทนาของจิตของอารมณ์นะซึ่งได้กล่าววันแรกว่าสิ่งที่เป็นหลักที่สุดคือจิตนะครับมนโนคือใจเนี่ยเป็นหลักทีนี้เราก็รวมว่าตัวใจที่มันการเกิดเป็นก่อนที่มันจะเกิดดับตรงนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะ ซึ่งตรงนี้หลวงพ่อเทียนให้เปรียบเทียบหลายๆอย่างให้เราฟังเช่นว่าตัดผมครั้งเดียวบ้างเชือกขาดบ้างหนูแมวจับหนูบ้างอะไรเป็นลักษณะของอาการเกิดดับที่ท่านพูดถึงนี่นะแต่พูดเป็นปรมาเท่านั้นเองพอมัจริงมันเป็นปรมาตาพูดถึงสภาวะไม่ได้ต้องสัมผัสเองถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ยมันจะสัมผัสเองแต่ว่าตัวอาการเกิดดับที่เป็นสมมุติเนี่ยเราสามารถสื่อกันได้ แต่ตัวอาการที่เป็นประมัทรู้ไขรู้มันกับอันนี้สื่อกันไม่ได้แต่ว่าจะว่าในยะของที่มันเป็นเกินแกดเกิดดับแบบสมมุติซะก่อนเกิดดับแบบสมมุติก็คืออาการทางกายที่เราเห็นว่าตัวมีคู่ของคู่อยู่ในตัวของเราทุกส่วนเลยนะครับลักษณะของคู่เหล่านี้ที่มันมีอยู่เนี่ยเป็นอาการอันหนึ่งของการเกิดดับแต่มันขยายออกมาเป็นภาคของรูป ผ้าของกายเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ตัวนี้แหละครับเป็นตัวนำที่จะไปเรียนรู้การเกิดดับไปสัมผัสการเกิดดับของจิตถ้าสมมุติว่าเราไม่มีการเรียนรู้จากการเกิดดับจากตัวนี้ก่อนเนี่ยเราก็จะสัมผัสการเกิดดับตรงนั้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นผ้าขยายเช่นว่าเราจะเห็นว่า เราจะไม่รู้ว่าแสงไฟที่เราสัมผัสเนี่ยว่ามันเป็นการเกิดดับที่ทีมีความทีสูงมากแต่เราจะไม่รู้ว่านขนาของการเกิดดับมันเป็นอย่างไรเขาก็เลยทำเป็นกราฟให้เห็นใช่ไหมครับเป็นกราฟให้เห็นว่ามันเกิดอย่างนี้ในแง่บวเวลามันเวลาไปกรับเวลามันเกิดก็คือมันพุ่งขึ้นเวลามันดับก็มันปักหัวปักลงเวลาเราไปดูคนป่วยนะครับเวลาดูคลื่นหัวใจของคนป่วย ความเกิดความดับของไอเขาเรียกว่าตัวการเต้นของหัวใจอะชีพจระที่มันมันตุ๊บดับตุ๊บแล้วขึ้นลงลงโดยนั่นเป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งแต่พอมาดูกายเนี่ยในภาคปฏิบัติที่จะดูกายระวางภาวะที่เป็นของคู่ทางกายที่เราเห็นชัดก็คือนับตั้งแต่ทา <c oughs> งกายเนี่ย นับเป็นในภาพตาอ้าปากลมหายใจเข้าออกนะครับแล้วก็การหยุดการเคลื่อนของกายที่เรามองเห็นตลอดถึงการเดินมีการหยุดและการเดินที่เรามองเห็นแล้วก็ในการที่เราเห็นเป็นพืชไปเช่นเราเอื้อมแขนไปจับอะไรหนึ่งเนะี่ยก็ดูเหมือนมันเป็นเส้นไปเลยนะครับแต่ความจริงมันจะไปตรงนั้นถ้า เราเอาไอ้กล้องสโลโมชันมาจับเนี่ยเราจะเห็นว่ามันค่อยไปยืดนั่นหมายความว่าขยายให้มันมีความถี่ต่ำที่สุดไอรีไปปุ๊บเนี่ยวันนี้ไปไวเท่าไหร่ความกัดเกิดดับก็ยังไวมากขึ้นเท่านั้นนั้นการเกิดดับของกายถ้าว่าจริงๆเราแทบจะตามไม่ทันเลยนะถ้าไม่มีการย่อยส่วนลงมาหรือสโลลงมาเนี่ยเพราะนั้นเวลาภาคปฏิบัติเราจึงทาช้าๆเพื่อเห็นภาพการเกิดดับทางกายให้ชัด แต่ถ้าหากว่าพอเราไปใช้การใช้งานเนี่ยมันไวถ้าเราไม่ชํานาญดีก่อนมันไวเราจับไม่ทันอาการที่เราไม่สามารถเข้าไปจับการเกิดดับทันได้เนี่ยเาเรียกว่าสัญชตาตญาณมันทำงานตามความเคยชินแล้วก็สัมผัสั์ทั้งหลายที่ไม่เห็นว่าอันนี้คือลักษณะของการเกิดดับก็สําคัญมันหมายความเกี่ยวเนื่องของการเกิดดับเป็นเส้นต่อเนื่องกันเนีว่าเป็นตัวตน ว่าเป็นตัวตนที่มีอยู่ตัวจรงการเกิดดับที่ว่านี่ยมันแสดงถึงภาวะที่เป็นน่าดตามันไม่มีตัวตนมันเป็นภาวะสองอันทํางานด้วยความถี่ที่สูงเท่านั้นคือเกิดแล้วก็ดับเพราะนั้นเราใช้ว่าฟรีเควนซี่อย่างไฟที่เราเห็นแสงมันสเสถียืนเนี่ยความจริงมันเกิดดับตลอดเวลาแต่เนื่องจากฟรีเควนซีมันสูงมากมันหมุนไวจนกระทั่งเราเห็นว่ามันมันเที่ยงนะครับสมัยเป็นเด็กเวลาผมไป วัดเนี่ยเวลาไปท่องหนังสือมนต์วัดสมัยเป็นเด็กวัดผมจะไปค่าเพราะทํางานวันยังค่าพอตอนทุ่มสองทุ่มก็ไปท่องมนต์ที่วัดเนี่ยผมจะมีเทียนเล่มหนึ่งครับผมหักโคนมันซะแล้วก็ผมก็จะจุดปลายมันแล้วก็หมุนแล้ววิ่งนําหน้าไอ้คนข้างหน้าเห็นน่ยมันจะเห็นว่าเทียนเป็นวงกลมนะแล้วก็หมุนแล้วก็วิ่งไปเป็นวงกลมคนจริงพอหยุดปั๊บมันมีจุดเดียวแต่พอหมุนนั้นมันเป็นวงกลมเป็นร้อยจุดพันจุดเลยในจุดเดียวนี่แหละขึ้นอยู่ความเร็วของมัน อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งทําให้เห็นว่าอ๋อจริงๆที่เราเห็นว่ามันเป็นวงกลมความจริงวงกลมไม่มีแต่ด้วยความเร็วของที่เราหมุนแล้วก็สายตาของเราจรึงมองเห็นว่ามันเป็นวงกลมแต่ความวงอ ง, งกลมไม่ได้มีแต่ด้วยอำนาจของการเกิดดับที่สูงมากเราจรึงเห็นว่าตาไปเห็นอะไรก็เหมือนว่าเที่ยงหมดแต่ความจริงตาที่เห็นนะั้นมันการเกิดดับอยู่ในนั้นอย่างสูงยิ่งเราจรึงเห็นภาพว่ามันเที่ยงแต่ความจริงมันเกิดดับแต่ละเวลา ตามนักวิทยาศาสตร์ที่เขาพิสูจน์ออกมาแต่ว่าเราไม่ต้องไปไกลถึงขนาดนะั้นไปแค่ว่าวันหนึ่งเนี่ยการก้าวและการหยุดท่องแต่ละก้าวเนี่ยเราได้ตั้งใจและสัมผัสดูมันจริงๆริงไหนี่ถ้าเราจะสัมผัสการเกิดดับของกายจริงๆเนี่ยแทบจะไม่ได้สังเกตเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นการยกมือนี้เป็นนัยยะว่ามีการหยุดและการเคลื่อน เราได้สังเกตระหว่างการหยุดการเคลื่อนชัดๆไหมส่วนย ญ, ญก็ว่าไปปับป๊บปับไปตามที่เราเราเพลินว่างั้นเถอะแต่พอได้สติมาเราก็หยุดดังนั้นตัวที่เราปรับความที่สูงคือการเคลื่อนแบบเป็นเส้นเป็นสายเนี่ยที่เรารับรู้อยู่โดยผืนๆเรียกว่าสติแบบสัญชตาตญาณแต่พอมาปรับขยายส่วนการเกิดดับของกายเนี่ย ให้มีความถี่ที่ต่ําที่สุดจะเห็นชัดว่ามันหยุดมันเคลื่อนจนเราตามทันพอความรู้ที่ไปตามทันการเกิดดับที่เห็นการหยุดการเคลื่อนที่ชัดตรงนี้เองมันได้เปลี่ยนสติที่เป็นสันชัดยาณให้เป็นปัญญายาณได้ทุกเวลาตรงตรงนี้ตรงนี้ปดทําความเข้าใจให้ดีนะครับไม่ได้ซับซ้อนแต่ว่ามันละเอียดนิดนึง และทั่วเนื้อทั่วตัวของเราเนี่ยมันมีเกิดการเกิดดับอยู่ทุกส่วนเลยครับที่ว่ามันเป็นเซลล์เป็นอนูที่ว่าเป็นวัตถุทั้งหลายเนี่ยมันมีการระเบิดมีการแตกการดับการเกิดดับอยู่ในตัวมันตลอดเวลาไม่มีส่วนไหนเลยที่ว่ามันจะไม่มีการแตกดับตรงนี้เองที่ท่านจึงบรญยายว่ามันเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตวนที่แท้จริงแต่ที่เราเห็นเนี่ยล้วนแต่เป็นกระแสของการเกิดดับที่ทํางานหมุนอยู่ตลอดเวลาดังนั้น เวลาในเริ่มในภาคกรรมาฐานท่านสมถกรรมาฐานจึงเริ่มพยายามที่จะทําให้ร่างกายนิ่งๆเอาไว้ก่อนเพื่อจะได้เห็นในส่วนที่ช้าลงมาเพราะอาการที่เรานิ่งนี่เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เห็นอาการเกิดดับชัดๆเท่านั้นเองนะความหมายเ่ยไม่ใช่นิ่งเพื่อให้จิตสงบนะถ้าท่านิ่งเพื่อให้จิตสงบนะั้นความหมายอีกแบบหนึ่งนะไม่ใช่ความหมายทางด้านสมถะแบบพุทธแต่สมถะแบบพุทธการที่เรานิ่งเนี่ยเพื่อเราจะเห็นการขยับช้าๆที่ชัดนะ เพราะในตัวที่นั่งนิ่งๆเนี่ยก็มันก็มีตัวเกิดดับให้เห็นอยู่คือคารหนักนั่งไปนานๆนักพอเราขยับนิดหนึ่งหนักในเริ่มดับไปความบาก็เกิดขึ้นความหนักดับไปดังนั้นการดูตัวเกิดดับในระดับกายหรือระดับรูปเดิมเบื้องต้นเราใช้สัญญาครับใช้สัญญาแต่ว่ามันเป็นสัญญาที่ต่อเนื่องที่จะใช้คําว่าถิละสัญญา เพราะนั้นตัวสติก็มาจากตัวสัญญานั่นเองเบื้องต้นน่ะแต่ว่ามันเป็นตัวสัญญาที่ที่ต่อเนื่องที่ต่อเนื่องที่มั่นคงอะ่ะต่อเนื่องอย่างคำว่าเสถียรนะฮะเป็นความจําที่เสถียรต่อเนื่องตลอดเพราะนั้นเดฟ i n i t i o หรือนิยามของคาว่าสติคืออีกคําว่าทีละสัญญาคือความจําที่คงที่ก็ได้แก่กลายมาเป็นตัวรู้คือสตินะครับ นั่นเองในตัวนี้เองเราจึงเอาสัญญาเนี่ยมาตามดูการเกิดดับระดับเนียแต่ว่าเมื่อตัวสัญญาตอนนั้นมาดูตัวการเคลื่อนการไหวค่อนข้างต่อเนื่องแล้วมันกลายเป็นตัวสติครับสัญญาแปลเป็นตัวสติแต่มันเปลี่ยนคําว่าทีละสัญญาจากคาว่าสัญญาท่าเป็นทีละสัญญาเราจะต้องเปลี่ยนสัญญาให้เป็นทีละสัญญาให้ได้คือให้เป็นตัวตามรู้อาการ หุดอาการเคลื่อนอาการหนักอาการเบาอาการเข้าอาการออกของลมหายใจอาการขึ้นอาการลงของการพูดระหว่างปากขยับขึ้นลงการกระดกลิ้นการหายใจเข้าออกการพับตาอะไรเหล่าเนี้ยเป็นสัญญาณของการเกิดดับได้ทั้งหมดเพียงแต่เราตามสังเกตเวลาเราพูดเราจะเห็นว่าปากขึ้นลงเนี่ยในขณะปากขึ้นลงหายใจก็ทําหน้าที่ด้วยพับตาด้วยบางครั้งอ่า เราเย็นร้อน อ, อนแข็งแข่งตึงทํางานพร้อมกันหมดทีเดียวอันนี้ความถี่หลายๆส่วนมันมาทํางานร่วมกันมันจึงยากสําหรับคนใหม่ที่จะไปนั่งสังเกตเหล่านี้ดังนั้นถ้าจึงคนใหม่ท่านทาสมถะต้องให้นิ่งๆให้นิ่งให้ดูทีละส่วนละส่วนละส่วนไปแต่ถ้าว่าคนนั้นทําจนชํานาญนิ่งจนชํานาญแล้วก็เปลี่ยนสมถะมาเป็นวิปัสนาโดยกันให้ตามรู้ถ้านิ่งนไน่ยหมายควาว่าจิตนิ่งพอที่จะดูอะไรที่มันเคลื่อนมันไหวชัดๆละน่ะ ตัว่นี้เป็นสัญญาตตามเข้าไปดูทั้งหมดนั้นน่ะมันก็มาจากจิตนี่แหละการเกิดดับจากจิตแต่ว่าตัวจิตมันเป็นตัวปรามั์ไม่มีตัวให้เราเห็นเป็นเป็นส่วนที่เป็นปรามัดดังนั้นเรามาขยายเป็นภาคสมมุติออกมาเป็นกายเป็นเวทนาให้เรียนรู้จากนี้ก่อนเพราะนั้นการเรียนรู้จากกายกับเวทนาจึงเป็นส่วนที่เป็นสมถะนะครับเป็นสมถะพอเรามาเน้นหนักตัวที่มันเป็นรูป มันจึเป็นสมถะที่เอื้อต่อวิปัสสนาดังนั้นการตามนั่งนิ่งการสงบอะไรต่างนี่ก็เพื่อที่จะเห็นภาวะนี้ชัดๆเท่านั้นเองเนะแต่การที่นั่งแล้วฟุง้งซ่านการที่แล้วง่วงนิวรณกินนอีกเรื่องหนึ่งนะไม่ใช่เรื่องของสมถะวิปัสสนาเป็นเรื่องโมหะล้วนๆเลยนะครับนั่งวิปัสสนาแต่เป็นโมหะอันนี้ก็ต้องศึกษาด้วยนะครับเพราะมันเป็นเรื่องจริงทีนี้ถ้าหากว่าเราตามรู้เรื่องนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยอะไรเกิดขึ้น ตัวทิละสัญญาตัวนี้ต่อเนื่องคือคือความตั้งมั่นของสติท่านใช้คาว่าสาตจักการิโนคือตัวสติที่ต่อเนื่องการกระทำต่อเนื่องแบบต่อเนื่องกันไปตัวความต่อเนื่องของสติน e ี่เองเราเรียกว่าสมาฮิโตคือตั้งมั่นนะตั mm. <S 2> <S 2> <S ้งมั่นก็กลายมาเป็นสมาธินะตัวสติที่ตั้งมั่นมากลายมาเป็นสมาธิเรียกว่าสัมมาสติและไปอู่สมาสมาธิ และตัวส ม, สมาธิที่มันต่อเนื่องตั้งมั่นเองนํามันนําไปสู่ความพร้อมที่จะทํางานเกิดความเขาเรียกว่าปะคุณยตามีความคล่องแคล่วมีความว่องไวมีความฉับไวเกิดขึ้นนั่นเป็นตัวที่จะให้เกิดตัวปัญญานะครับและตัวปัญญานี้เองที่จะพัฒนาขึ้นไปเป็นระดับวิปัสนาญาณที่เห็นความชัดขึ้นจากเห็นกายละเอียดขึ้นเห็นเวทนาละเอียดขึ้น จิตของเราก็เริ่มละเอียดครับปัญญาก็เริ่มละเอียดเพราะจิตเริ่มละเอียดปัญญาเริ่มละเอียดมันก็จะไปทันไปทันการทํางานของจิตไปทันวาระของจิตว่าจิตมันทํางานยังไงภาวะที่การทํางานของจิตกับวัตถุที่มันพันกันนัวเนียเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่เกิดนิพพานาญาณกันไปเห็นไม่ได้ครับเพราะมันพันนัวเนียกันมาอย่างนี้ไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วจู่ๆแล้วจะเห็นแบบไม่ได้ทําอะไรเป็นไปไม่ได้ครับ เมื่อสั่งสมโหมเพราะตัวสติสัมปชัญญะและปัญญายาอย่างนี้ต่อเนื่องไปถึงระดับวิปัสนาญาณแล้ววันใดวันหนึ่งที่จิตมันมีความพร้อมมากที่สุดมันก็จะไปเห็นวาละของจิตแยกระหว่างจิตกับอารมณ์ครับมันจะแยกตัวกันระหว่างจิตกับอารมณ์แยกตัวกันนี่เองมันจะเกิดภาวะที่เบาโป่งแล้วก็เหมือนกับอะไรสักอย่างผมสัมผัสภาวะตัวนี้ได้เมื่อวันที่สิบอด วันที่11ของการปฏิบัติซึ่งตรงกับวันที่11พฤศจิกายนพศ2229วันที่วัดป่าสุกโตที่หอไตรผมจําได้ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เหมือนวันเดียวกันครับเหมือนวันเดียวแช้งสว่างมันไปเห็นภาวะการเกิดดับของจิตที่ที่สมบูรณ์เหมือนกับที่หลวงพ่อเทียนบอกเหมือนขอบแบกของหนักๆมันหล่นลงไปน้ําหนักร้อย ก, กิโลมันเหลือเท่านั้นกิโลยที่ท่านจะพูดถึงบ่อยๆมากท่านหมายถึงภาวะตรงนี้ครับภาวะที่ สัมผัสภาวะการเกิดดับของจิตซึ่งแต่ละคนมันจะมีอยู่ครั้งเดียวนั่นแหละแล้วมันจะจํามันจะสัมผัสไปจนตายเพราะฉะนั้นการเกิดดับของกายนะการเกิดดับของกายก็คื อ, เ, อเราออกมาจากแม่คือการเกิดแต่การเกิดดับในตัวกายเวทนาที่มันเป็นตัวของมันเองนั้นนั่นแหละคือการสืบต่อเนื่องของชีวิตของการเกิดดับจนว่าเรามาพัฒนาเอาตัวการเกิดดับของกายหรือของรูปนี้ ด้วยศรัทธาและความเพียรด้วยสติสมาธิ ї, ปัญญาที่ต่อเนื่องจนละเอียดลงไปละเอียดเป็นเป็นวิปัสนาญาณวิบวิปัสนาญาณก็จะไปเห็นตัวสภาวะการเกิดดับของจิตตรงนี้ซึ่งตรงนี้เราคาดไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไรแต่ภาวะที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงนี่ส่วนใหญ่ท่านจะเน้นตรงที่ว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยต้องเห็นภายในหนึ่งวันเจ็ดวัน เจ็ดถึงเปีเนี่ยแต่ภาวะที่จะไปสัมผัสการเกิดดับขั้นสุดท้ายเนี่ยท่า น, นไม่ได้ไม่พยากรณ์ไว้แน่นอนแล้วอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้แม้แต่พระองค์ท่านก็ไม่พยากรณ์เพราะว่ามันมันเป็นของขายของมันบางคนก็เรียก ว, ว่าฉับพลันทันทีนะอย่างหลายๆคนอย่างที่เราได้ฟังมาอย่างท่านองค์คุลิมานท่านพระยะทาลุจิริย ะ, ะท่านพยศักพวกเนี้ยมาเกิดขึ้นไว แต่เกิดช้ามากๆอย่างพระอาหนุนอย่างเงี้ยบางทีก็เป็น30มสี่ปีท่านถึงไปศพเอาก็มีนะครับไม่ใช่ว่าจ ะ, ะขึ้นแล้วแต่บุญวัดสนามแต่ละคนแต่การได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยก็พยากรณ์ก็ได้เพราะมันไม่ยากแต่ตัวที่สัมผัสการเกิดดับที่ที่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นภาวะเกิดดับเห็นสภาวะหายสงสัยเนี่ยเป็นภาวะที่เกิดขึ้นไม่ง่ายนะครับอันนี้แล้วเกี่ยวข้องกันหลายส่วนขึ้นอยู่กับว่ามันจะเกิดมรรคสมบัคีเมื่อใดนะครับ ดังนั้นในจุดนี้จึงเป็นจุดสําคัญของเรื่องที่เรานั่นเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อท่านถามเราผมก็ต้องตอบให้มันมันมันสุดขบวนไปเลยนะจะเข้าใจได้หรือไม่ก็ตามแต่เบื้องต้นนี่ครับในระดับกายเนี่ยต้องสังสมเห็นการเกิดดับการหยุดการนิ่งการเข้าการออกการเคลื่อนการไหวการโยกซ้ายโยกขว า, าต่างๆมันจะมีในยักษ์ของการเกิดดับอยู่ในนั้นครับแต่ว่าด้วยความเคยชินของเรา และศรัทธายัางไม่เพียงพอที่จะไปตามดูถึงขนาดนั้นตรงนี้ที่ว่ามันช้าครับแต่ถ้าบรรไดวันหนึ่งวันหนึ่งบันไดวันหนึ่งมันเกิดแรงบันดาลใจเกิดอยากจะศึกษาเรื่องนี้จริงๆเนี่ยเราจะตั้งใจมากขึ้นครับเราจะเฝ้าดูทั้งหยาบทั้งละเอียดอย่างกลางทบไปทวนมาอยู่เงี้ยซ้ำซากอยู่นะจนมันเกิดเขาเรียก ว, ว่าสีนะครับเกิดความชํานิชำนิชำนาญขึ้นมาในระดับหนึ่งเมื่อเกิดความชำนิชํานาญในระดับกายปับ๊บมันจะเริ่มอยากจะรู้ต่อไปเอ๊ะ เ, เวทนาเย็นร้อนอ่อนแข็งเขร่งตึงของกายเนี่ยมันที่ว่ามันเกิดมันเกิดอย่างไรมันดับอย่างไรเราเริ่มเห็น AK ความทุกข์ที่มันการเกิดการดับของทุกข์นั่นแหละครับ <S <S <autoc> <S <S ไม่ใช่อย่างอื่นเนกิดดับของทุกข์การเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์การภาวะการเกิดดับของทุกข์เกิดแล้วมันเป็นทุกข์ทีนี้มันก็มีการดับของมันเราจึงใช้การเกิดดับอีกชุดหนึ่งเข้าไปจัดการกับมันการเกิดดับของสติปัญญาเข้าไปจัดการมัน แต่ว่าการเกิดดับโดยของกฎของธรรมชาติโดยกฎของไตรลักษณ์นั้นมันจะเป็นอยู่นั้นใครจะมารู้มันหรือไม่รู้มันก็จะเป็นอย่อย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านจัดว่าแต่ฐาคตจะเกิดขึ้นก็าตามไม่เกิดขึ้นก็าตามสภาวะนี้มีอยู่แล้วเพราวะว่ที่อนิจจังทุกขงังนา ท, ที่เป็นการเกิดดับนี่มีอยู่แล้วแต่เมื่อใดผู้รู้ศาสนาทั้งหลายเกิดมาแต่ละ ย, ยุคก็มาบอกเราเราก็ทําตามที่ท่านบอกเราก็มีโอกาสได้พบได้เห็นแต่มีเงื่อนไขว่าเราจะต้องมีศรัทธาและมีปัญญา ที่จะเข้าไปทําเรื่องนี้ได้ศรัทธาที่จะเชื่อมสู่ปัญญาได้ต้องมีความเพียรมีสติมี ส, สมาธินะครับเพื่อจะเชื่อมไปถึงกันดังนั้นถ้าหากเราจะรู้เรื่องนี้จริงๆเราก็ต้องถามตัวเองว่าเรามีศรัทธาด้วยจะศึกษาเรื่องนี้สักเท่าใดนะครับเป็นควีเช่นใหญ่ทีเดียวเมื่อมีเราศรัทธามากพอแล้วเรารู้ได้ไงว่าเราพิสูจน์ความศรัทธาของเราได้ไหมก็อยู่ที่ความเพียรความเพียรเราจรงิงจังตั้งใจต่อเนื่องถูกต้องจรงิจรงจังไหมตรงนั้นครับว่า เป็นตัวพิสูจน์ทธาคือความเพียร น, นั้นการเกิดดับทางกายทางเวทนาไม่ยากครับใช้เวลามีศรัทธาจริงๆก็ไม่ยากแต่ว่าเราจะไปหวังว่าเมื่อรู้เรื่องนี้ดีแล้วจะไปเห็นการเกิดดับของจิตเลยไม่ใช่อ่ะกลัวจะไปถึงตรงนั้นน่ยมันจะมีองค์ประกอบอีกหลายอย่างที่เข้ามาสมทบนะที่เรียกว่าศสนาบารามีนะครับแต่เบื้องต้นเน่ยคิดว่า จะทำอย่างไรที่จะไม่ให้การเห็นระดับกายเวทนากำเริบก็มีมีโอกาสที่จะไปสู่จุดนั้นแน่นอนนะครับแต่ส่วนใหญ่พอไปเห็นระดับต้นเรามันมักจะกำเริบเพราะว่าเราว่ามันก็สบายระดับหนึ่งจากเห็นการเกิดดับของกายของเวทนาเป็นแล้วมันสบายมันสงบระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราไปเสพไปติดไปยึดในความสุขระดับนี้แล้วเราก็วันหนึ่งเราก็ความเพียรเราก็จะอ่อนเราสําคัญผิดได้ เวทิตวิปัสนูวิปลาจินตยานไปทางนู้นก็ได้ถ้ากว่าเราไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะคอยแนะนําให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าระดับรู้เท่าทันแค่าการเกิดดับของกายกับเวทนาแล้วก็เรียกสงบไปครึ่งนึงแล้วว่างั้นเถอะสงบไปครึ่งแลว้วจิตนะ่ะแต่ทีนี้ก็รอว่าเมื่อไหร่วันไหนที่มันจะไปถึงเห็นการเกิดดับตัวจิตตัวนั้นนะ่ะตัวนั้นก็คือต้องคอยหล่อเลี้ยงความเพียรไปเรื่อยๆไปถึงภาวะประจบเหมาะวันใดวันหนึ่งเข้ามันก็ สปาร์คเกิดขึ้นเองซึ่งท่านเปรียบเสมือนว่าการที่เราได้ตามรู้การกระดับทางกายทางเวทนาเนี่ยเหมือนกับแม่ไข่คอยออกไข่มาเรื่อยๆนะพอสมควรแล้วแม่ไข่แม่ไก่มันก็โดยสัญชตัตเตรยาเ น, น, นมันก็กกไข่เมื่อกกไข่ไปแลดับหนึ่งไข่นี่ก็เริ่มแตกออกมา ฉันใดก็ดีผู้มีศรัทธาและความเพียรคอยเฝ้าดูการเกิดดับทางกายการเกิดขึ้นของทุกทางกายไปเรื่อยๆเหมือนแม่ไก่ที่ออกไข่จนวันหนึ่งรู้สึกว่าจิตมันมีศรัทธาและความเพียรมั่นคงแล้วเราก็เก็บความเข้มของเราปรีกวิเวกของเราต่อเนื่องเราจะเรียกว่าเก็บอารมณ์เข้าเข้มอะไรก็แล้วแต่ระยะหนึ่งเราก็สามารถเห็นการเกิดดับละเอียดลึกลงไปได้นะครับ ซึ่งตรงนั้นท่านเปรียบเสมือนไก่ที่ไก่ตัวลูกไก่ที่ออกจากไข่เมื่อกกไประดับหนึ่งแล้วความพร้อมมันพอปับ๊บลูกไก่มันก็จะเจาะออกมาเองนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มไม่ได้หมายความว่าไข่ทุกใบมันจะออกมาเป็นไก่หมดนะบางตัวก็ออกบางตัวก็ไม่ออกก็อยู่ที่แม่ความขยันของแม่ไก่ถ้าแม่ไก่ไม่ขยัน ก, กกได้ที่ได้ทางได้อุณหภูมิเพียงพอมันก็ออก เราก็เงิน อ, อุณหภูมิเนื่องเหมือนความเพียรครับถ้าความเพียรต่อเนื่องเพียงพอมันค่อยสามารถที่จะทําให้จิตของเราที่ห่อหุ้มด้วยอวิชาคัละเอียดลึกที่สุดเรยอว่าอาสะวะเนี่ยเป็นเปลือกบางที่สุดเนี่ยมันคอยห่อหุ้มอยู่มันจะถูกความเพียรนี้เผาให้เปราะแตกออกมาได้หรือไม่ ก, ก็อยู่ตรงนั้นอีกทีหนึงนะครับเพราะฉะนั้นในวิธีการของรพระเทียนหลวงพ่เทียนเองใช้วิธีว่าเบื้องต้นเนี่ยให้ทําความเพียรให้เยอะ เพื่อจะเห็นความเกิดดับระดับกายกับเวทนาเนี่ยให้มั่นคงเพราะมันเห็นได้ไม่ยากเพียงแต่ทําความเพียรไปสังเกตไปง่วงบ้างเงาบ้างแก้กันไปแต่ว่าขณะแห่งการเข้าไปรู้การเคลื่อนการไหวกันหนักการเบากันเข้าผระโนของร่างกายคือเห็นการเกิดดับแบบห ย, ยาบเนี่ยให้สั่งสมจากอยู่นี้ไปก่อนพอวันใดวันหนึ่งมันมีความพร้อมมันปับ๊บมันก็จะประจักษ์เองส่วนจะประจักษ์ในระดับไหนอะไรอย่างไรนี้แล้วแต่เฉพาะบุคคลอันนี้ไม่เหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากแต่ว่าจะฟังเข้าใจกันทุกคนผมไม่แน่ใจนะครับเพราะเรนีเป็นเรื่องของปรมัทิตย์แต่ถ้าผู้ปฏิบัติได้ระดับได้ระดับหนึ่งจะจะเข้าใจนะครับเข้าใจได้ตลอดสายเพียงแต่ว่าเราจะชุบย้อมความเพียรของเราให้เข้มแข็งขึ้นได้อย่างไรซึ่งถ้าหากว่าเราไม่มีวิบากมากเกินไปมันก็จะทําได้เรื่อยๆแต่ถ้ามีวิบากมากเกินไปเวลาของเราก็จะถูกแย่งชิงด้วย อำนาจของมารต่างๆเรียกว่าวิบากนะครับมันจะแย่งชิงเวลาเราไปแล้วตั้งใจจุดจ่อว่าจะทําอย่างนู้นอย่างนี้เรื่องปฏิบัติมันก็จะแย่งชิงเวลาเราไปตลอดถึงเรื่องการปรารถนาอะไรต่างๆครับปรารถนาอยากจะเป็นพุทธภูมิอยากปรารถนาอยากเป็นพระอราหันต์ปรารถนาอยากเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยอันนี้คือวิบากทั้งนั้นครับไม่ใช่ไม่ใช่ความจริงเป็นวิบากที่คอยกั้นใจเราไว้เมื่อไร เราเคยได้ฟังประวัติของหลวงพ่อมั่นใช่ไหมครับว่าท่านเคยตั้งปรารถนาว่าจะเป็นพู้พท .Persistent พ่อไปถึงระดับหนึ่งแล้วท่านถึงคิดได้ว่าอ๋อเรามันเข้าใจผิดท่านเลิกคิดเรื่องนั้นปับ๊บไม่นานเท่าที่ท่านบรรลุธรรมพราะเขเลิกคิดอย่างนั้นเสียอันนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานี่ประวัติของท่านกล่าวเล่าเอาไว้นะครับนั้นความปรารถนาอะไรต่างๆนะั้นเป็นเป็นอุปทานที่จะเป็นดักขวางกันเป็นมารตัวใหญ่ทีเดียวนะครับถ้าทําลายจุดนั้นเสียเนี่ยเมื่อรู้ว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์ การเกิดเป็นทุกข์เราจะไปทุกข์ต่อไปให้ไปถึงพระพุทธเจา้าเป็นผู้เจ้าได้งไงมันเป็นอุปท า, านเมื่อรู้ว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์อย่ากให้เป็นผู้อิหลายพบหลายชาติเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเป็นความไม่เข้าใจนะครับจะพาะช่วยเหลือตัวเองให้ถึงที่สุดก่อนเราจะรู้ว่าเราจะช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างไรนะครับเพราะนั้นการเกิดดับแบบทางกายทางเวทนาทําจุดนี้นให้ได้ก่อนนะครับโดยการ ตามรู้ไปเรื่อยๆหนักบ้างเบาบ้า ง, างเร็วบ้างช้าบ้างแต่ค่อยมีตัวรู้ตามไปเรื่อยๆไม่ได้หมายความว่าเวลาจะมาดูการเกิดดับระดับนี้จะต้องช้าเสมอไปไม่ใช่นะครับขึ้นจากความไวของสติของเราถ้าเรามีความไวสติสูงเราจะทำอะไรเร็วเร็วก็ได้แต่ก็รู้หมดนะครับแต่ถ้าหากความไวของสติปัญญายังไม่พอเราก็ค่อยทําไปสังเกตไปก่อนเบื้องต้นเมื่อเราทํานานเข้านานเข้ามันจะไวขึ้นไปขึ้นยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเลยทีนี้ โอกาสที่จิตมันจะกลับเข้าไปดูตัวมันเองตอนแรกเนี่ยเราเอาจิตนั่นแหละจิตเดียวนั่นแหละมาดูการเกิดดับทางกายทางเวทนามันก็จวนตัวเข้าไปจนทีนี้พอถึงตัวมันเองบ้างที่เนี่ยมันก็ระเบิดตัวของมันเองจิตเมื่อระเบิดตัวมันเองปั๊บอวิชาก็สลายหมดนะแต่มันจะต้องเดินไปตรงนั้นเพราะว่าถ้ามันจะไปดูตัวมันเองเลยมันไม่ได้เพราะมันหนาเกินไปมันจะต้องถูกถากถูกเผาไปจาก ตัวกายตัวเวทนานี่กว่าบุญเพราะอาตาปีความเพียรเนี่ยไปถึงจุดหนึ่งจิตมันมีทางออกแล้วเนี่ยถูกล็อกหมดแล้วเขาเรียก ว, ว่าท่านเปรียบเหมือนกับอะไรน ะ, ะฮันุมา n ที่ดับไฟที่ติดหางตัวเองอในที่สุดหาวิ่งหาในการที่จะดับไฟที่ไม่หางตัวเองในที่สุดไปหาลุ่ยสีว่าจะดับยังไงก็ไปยากเอาน้ําบ่อน้อยอยู่ที่ไหน ก็มาเข้าดับที่ปากของตัวเองเท่านั้นเองนั่นแหละคือครลักษณะนาเป็นพิษนาธรรมลึกซึ้งในจุดนั้นน่ะนั่นเองเราจะเห็นว่าโบราณท่านกล่าวเรื่องนี้ไว้เยอะแต่บางทีมันเป็นอุปมาที่เราไม่สามารถจะตีออกว่าเป็นปรมัตถธรรมแล้วแต่ว่าเมื่อผู้เข้าถึงเรื่องนี้แล้วมันจะตีปิษณเหล่านี้ออกหมดมันไปทางเดียวกันหมดเป็นเรื่องของปรมัตจะรู้ด้วยอุปมาทเท่านั้นนะครับ แต่สภาวะของจริงนั้นรู้ใครรู้มันเอามาสื่อกันไม่ได้แต่ที่เราสื่อกันได้เป็นเพียงอุปมานะครับไม่ใช่ความจริงแต่ความจริงเราต้องไปประจักษ์เอาเองทุกคนเข้าใจใช่ไหมคนไหนที่ไม่เข้าใจถามได้เลยนะี่ การกือว่าไม่มีสติรู้ทันวดพอดับมีสตินั้นก็เกิดิรคือกการเจ็บปวดขึ้นมาแล้วก็กอเป็นใจคือไม่ชอบกมาแจะทยังไงที่ว่า้การเกิดของเกิดงมันหนักแล้วเป็นนามันเจ็บปวดแล้วเป็นใจที่มชอบใจจะดยังไงครับให้มันีการ่งนี้ครับตรงนี้นะครับถ้าหากว่า เราต้องทดสอบบ่อยๆสมมติเรานั่งข้างแรกเราสังเกตไม่ถนัดนั่งขั้นที่สองที่สามถ้าเรานั่งทับลงไปปั๊บอาการหนักปรากฏใช่ไหมครับเมื่อหนักปรากฏแล้วเราอยากจะรู้ว่าความหนักที่ปรากฏเนี่ยจะทําให้ใจของเราเกิดความพอใจหรือไม่พอใจอย่างไรเนี่ยเราเฝ้าดูอาการหนักนั้นไปการที่เราเข้าไปเฝ้าดูอาการหนักว่ามันจะเป็น ความพอใจหรือไม่พอใจเมื่อไรมันเป็นเรียบร้อยแล้วครับเนื่องจากบนว่าคือเราพอใจที่จะดูมันเป็นความพอใจเรียบร้อยไปแล้วแต่พอใจที่จะดูหนักซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่าเราจะเลยสติรู้ว่ารู้ซื่อเนี่ยฮะที่เราพูดกันเมื่อคือนะถ้าคําว่ารู้ซื่อซื่อยังไม่ชัดนะ่ะอย่างไรเราก็จับตรงนี้ไม่ถูกครับเพราะว่าจิตของเรามันไปนคุ้นกับอยู่กับความพอใจไม่พอใจมาจนจนเป็นจิตเป็นตัวจิตเองหมดแล้ว ดังนั้นเองเบื้องต้นในท่านจึงให้ซักซ้อมตัวรู้เอาไว้มากมก่อนคืออย่าเพิ่งไปดูตรงนั้นเพราะตรงนั้นมันมันไปละเอียดมาซักซ้อมอยู่กับตัวรู้จับตัวรู้ห้างหๆนี่ก่อนเพื่อจะให้สังสมให้จิตมันซื่ออยู่จิตรู้ซื่อๆให้มันรู้ซื่อๆกักายนี่ก่อนอย่าเพิ่งไปตัดสินมันว่าตัวหนักมันจะเปลี่ยนเป็นตัวพอใจไม่พอใจปไปเลยเนี่ยเราเราไม่รู้ไม่สามารถจะไปรู้ตรงนั้นได้ชัดเจนเพราะทันทีที่เราบอกเอออุเยดูว่ามันจะชอบใจไม่ชอบใจตรวไหนตัวหนันกตัวนี้ แต่เราได้ชอบใจไปเรียบร้อยแล้วชอบใจว่าฉันจะจ ะ, จะดูว่ามันจะเป็นนั่นแหละดังนั้นตรงนี้โดยหลักการก็คือว่าตัวหนักตัวเบาของกายเนี่ยเป็นด้วยอำนาจของไตรลักษณ์นะครับคือหนักก็คือเป็นความที่ผมได้กล่าวบ่อยๆว่าความหนักเกิดขึ้นเพราะความไหลเวียนของท่าสี่ทำงานตลอดเวลาเมื่อน้าหนักมันไปกดทับ การไหลเวียนทุนนั้นปับ๊บอาการต้านก็เกิดขึ้นและเรียกว่าหนักหนักเอาการตัวเซลล์ตอวนั้นมันถูกทับลงแล้วซเซลล์มันเริ่มจะป่วยและตายมาันเลยดิ่นพอดิ่นแล้วมันเกิดอาการต้า น, ต, านต้านก็เกิดอาการหนักขึ้นมาพอเราปล่อยให้การไหลเวียนได้เดินทางปับ๊บคือขยับนิดเดียวเลือดลวงผ่านไปจุ่ๆแต่ทีเดียวมันจะเกิดอาการเบาขึ้นทันทีเพราะน้ําหนักนั้นหายไปเพราะว่านั้นคือการเชื่อมต่อระหว่างการ าการการไหลเวียนในการเกิดดับของธาตุสี่ภายในที่เป็นการเกิดดับที่ชั้นละเอียดลงไปอีกครับเราไม่สามารถจะไปรู้ได้ว่าแต่เราเรียกว่ามันเป็นกระแสไหลเวียนนะครับกระแสไหลเวียนต่อเนื่องกันไปอเพราะฉะนั้นการไปดูจุดตัวนี้ก็ยากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราเร า, เราเฝ้าดูไปก่อนดูหลายๆครั้งร้อยครัง้งคืนครั้งแสนครั้งก็ตามนะครดูขยับแล้วดูขยับแล้วดูไปเรื่อยๆภาวะที่จิตมันไปรู้ตรงนั้นชื่อเฉยเฉยเนี่ย เราจึงไม่เน้นที่จะให้นั่งนานๆเพื่อจะรู้ว่ามันจะเกิดยังไรไมันจะดับยังไงไม่ทันมันหรอกครับไม่ทันมัน เ, รรนนเพราะเนื่องจากการเกิดดับมันมีความถี่สูงกว่านั้นแต่สติปัญญาที่เราเพึ่งฝึกที่จะไปดูอยู่นั้นน่ะความถี่มันไม่พอครับมันมีแต่จะความความหลงเข้าไปในพอใจไม่พอใจโดยไม่รู้เท่านั้นเองอันนั้นวิธีการคือดูซ้ำๆทําซ้ําๆนะครับใช้คําว่าความเพียรที่ว่าอ่าเรียกว่าอะไ ร, ะะไระพา ภาวิตาพหูลีกตาคือทําให้มากๆเอาไว้ก่อนเพื่อให้จิตของเราเนี่ยคุ้นให้เกิดศรัทธาให้เกิดความเข้าใจว่างั้นเถอะพอเข้าใจแล้วมันก็จะค่อยๆดูไปทีละขั้นละขั้นขยันดูขยับดูปรับดูเพราะฉะนั้นความเพียรที่เราทําทั้งวันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะรู้เฉยๆเนะี่ยแต่รู้เห็นมันอาการลักษณะต่างๆเมื่อเราไปเนหะ็นอาการตรงนี้ชัดเข้าชัดเข้าอาการทางกายนะครับชัดเข้าชัดเข้า อาการทางกายมันก็แสดงออกมาทางเวทนาทางกายคือความสบายและไม่สบายหนักเราสมมุติว่ามันไม่สบายพอขยับปั๊บรู้สึกเบาก็สบายเพราะฉะนั้นการแสดงออกของทุก์มันแสดงตลอดเวลาทีเดียวเบื้องหลังของการเคลื่อนไหวขยับนู่นขยับนี่ของเรานั่นคือการเคลื่อนไหวของเพื่อระ บ, บายทุกขนะครับแต่เราเราอยู่กับมันจนชินเราเคลื่อนไหวจนชินเราไม่เราไม่รู้ว่าอันนี้คือการระ บ, บายทุกขเบื้องหลังของการเคลื่อนไหวคือการแก้ทุกโ ด, โดยโดยธรรมชาตินั่นเอง นะครับทีนี้เมื่อผู้ที่ยอดตรัสรู้ท่านก็นมาชี้ว่าจุดนี้แหละคือจุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นตรงที่ว่าดูไอ้ตัวที่มันกําลังแสดงอาการเกิดอาการดับให้เห็นออกมาความหนักความเบาความสุขความทุกข์นี่แหล ะ, ะเวลาเราสมมุติว่าทุกต้องกําหนดรู้เกิดอริยสัจขึ้นมาอ้อาการทุกข์เราต้องรู้มันอย่างเดียวนะเราจะไปคัดค้านกน็จะไปห้ามมันก็ไม่ได้จะไปเบรกมันก็ไม่ได้จะไปชอบใจมันก็ไม่ได้ต้องรู้อย่างเดียวรู้ยังไงรู้ว่ามันเกิดอย่างไร อาการเหล่านี้มันเกิดดูเข้าไปดูเท่าที่รู้ได้นะก็อย่าไปคิดเอาไม่ได้เท่าที่รู้ได้ถ้าหากดูขั้งที่หนึ่งไม่ชัดดูขั้งที่สองที่สามจึงมีคําว่าสัมปชาญญการีเข้ามาดูให้ชัดแล้วไม่พอดูให้ต่อไปเรื่อยๆทั่วๆนะครับปัญญาติยังไม่พอดูชัดๆยังไม่พอนะครับต้องสัมปชานญการีเข้าไปอีกนะทําให้มันทั่วๆชัดๆกว้างๆไปนะพอไปขั้นเวทนาละเอียดปั๊บ เวทนาเป็นสุขเนี่ยรู้ยากนะครับสุขเวทนาเนี่รู้ยากทีนี้พอวันนี้ท่านในสุขเทนาท่านก็เลยให้ศึกษานะครับหายใจเข้าหายใจออกท่านให้ศึกษาละที่เราสวดนะอาซาปัสสะสะปัสสะสะาาที่ให้ให้ศึกษาสิกขินะเมื่อเราศึกษาละเอียดเข้าละเอียดเข้าเวทนาที่เราเห็นจะหนักจะเบามันไม่มีคําว่าเราเป็นผู้เข้าไปหนักไปเบาละมันก็จะตัดตรงนั้นแต่ถ้าหากว่าตรงนั้นไม่ละเอียดปับ๊บ เราหลงเข้าไปสําคัญหนักเบาเป็นเราปับ๊บความชอบไม่ชอบก็จะเกิดขึ้นทันทีอัตราก็เกิดขึ้นตรงนั้นที่เรารู้ไม่ทันว่าอ๋อหนักนี่เราชอบอ่าหนักนี่เราไม่ชอบเบานี่เราชอบเป็นหลงนี้เดียวนะว่าแต่ความจริงมันไม่มีเราอยู่ตรงนั้นถ้ารู้ตรงๆเนี่ยมันมีแต่อาการนะอาการของหนักอาการของอาการของการเกิดอาการดับแสดงตัวมันดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งจิตเห็นทุกเนี่ยเป็นธรรมดา ก็จะไม่ไม่กลัวและไม่เข้าไปในทุกข์จิตก็จะรับรู้ทุกตรงตรงซื่อจิตเริ่มซื่อจตรซื่อตรงนี้นะฮะจิตที่จะซื่อไม่ก็เห็นทุกซื่อโดยที่ไม่เกิดความพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบไม่เกิดนี่เคือเรารู้ซื่อคือรู้อย่างนี้รู้โดยที่ไม่เป็นอาการนั้นเพราะเรารู้ว่าอันนี้มันคืออาการของการเกิดดับของรูปกับนามเป็นปฏิกินิยาของการเกิดและการดับมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องเข้าไปยึดว่าเป็นของเราจะต้องเกิดอาการชอบหรือไม่ชอบ ตรงนี้เบื้องต้นที่สุดเราจะได้ตัวชื่อๆตรงจากตรงนี้ก่อนแล้วก็เอาตัวชื่อื่อตรงเนี้ยดูเฉยๆดูแล้วผ่านดูแล้วผ่านโดยที่ไม่ให้ไปสมมุติไม่ได้ให้ไปความสําคัญอะไรเข้ามาก็ผ่านลักษณะนี้หลวงพ่อถึงว่าเน้นให้ลืมตานะถ้าหลับตาเนี่ยหลับแป๊บเดียวเนี่มันสร้างเรื่องทันทีเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าจิตใต้สํานึกของเราที่มันสั่งสมอุปทานมาันยาวนานเนี่ยมันจะผุดขึ้นมาเป็นภาพทันทีแป๊บเดียวแค่นั้นแหละครับไม่นาน ฉะนั้นมันเสี่ยงเสี่ยงต่อการที่เราจะไปสําคัญมั่นหมายของความเกิดขึ้นของจิตเราจึงลืมตามไว้ก่อนเพื่อไม่ให้จิตได้สํานึกมันโผล่ขึ้นมารบกวนเราเพราะมันรู้ยากเพราะว่าปัญญาเรายังไม่สามารถไปดูตรงนั้นให้มาดูนะตามดูกายดูจิตเดี๋ยวดูกายดูเวทนาให้ชัดไว้ก่อนนะท่านจึงพยายามเปิดอินเสียไว้ ถ้าหากเราไปหลับตาลงเดีไปเอื้อต่อเกิดโมหะครับพอโมหะขึ้นมาปั๊บนี่เราก็เห็นว่าโอ้มันเป็นไปไม่ได้แล้วทีนี้เพราะเราไม่ทําไม่มั่นใจในการปฏิบัตินั่นเองเราก็ได้ลหลับตาใส่เอาเพราะนัผมทดสอบเป็นหมื่นครั้งแสนหนอนนะครับไม่ใช่ร้อยครั้งพันครั้งในผมทดสอบเรื่องนี้กว่าผมจะือ่อมั่นใจนี่นะถ้าไม่มีการทดสอบคน น, นั้นไม่เชื่อแล้วครับ มันต้องได้เห็นความจริงกันจ่าจ่าตาหมดเลยมันถึงจะหลับตามไม่ลงลนะฮะถ้าหลับตาไดนะ้มันก็เห็นทันทีเอามาละทันทีเลยไม่เชื่อลองทดสอบบ่อยๆนะครับตรงนี้เทว่าพระหุลีกตาคือทําให้เยอะๆนะครับกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ตามตรงนี้ถ้าหากเราพยายามแล้วพยายามอีกเนะี่ยมันจะเห็นชัดครับซึ่งเราจะอธิบายก็เห็นชัดไม่ได้ถ้าเราไม่เห็นด้วยใจของตัวเองนะแต่ว่าคร่าวๆคืออย่างนี้แหละครับอาจารย์ ครับที่มันจะดูใช้ประการดูพิการดว่าอาหารปะทุมเปปั๊บปับโดยธรรมชาติจนปับครับมอร่อยคืออร่อยนาเกิดแล้วอร่อยครอชอบอยองัอย่างเงี้ยถ้าถ้าเราสมมติสติเราไมเพียงพอจะรู้ว่าแค่อาหารเนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าถูกปากแล้วก็อยากได้ครับมันจะกระบวนการจะคิดยังไงครับ จะจ ะ, จะตั้งจิตอย่างไงกับมันใช่ไหมครับ <c oughs> เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะ่ันบอกว่าสิ่งสำคัญอายะวะสองส่วนที่ <c oughs> เป็นอุปสรรคต่อการตามรู้ยากมากเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการดำรงของชีวิตและดำรงเผ่าพันธุ์คือปากกับอวัยวะเพศนี่ครับเป็นเป็นธรรมชาติให้มาเพื่อที่จะดำรงในตัวเขามันดารงอยู่ ท่านให้ลิ้นเซนซิทีฟดอรถเพื่อให้ธรรมชาติที่ได้มาเนี่ยดำรงชีวิตอยู่แล้วให้อวัยวะเพศเซนซิทีฟดอการสืบพันธุ์เพื่อให้จะดํารงเผ่าพันธุ์ของมันต่อไปอันนี้อํานาจของอัตราดโดยธรรมชาติเลยนะเพราะฉะนั้นอววะสองส่วนนี่เป็นภาวะที่ที่กําหนดรู้ได้ยากมากถ้าหากว่าไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่พิจารณาได้ลิงสาครั้งนะครับสามครั้งทีเดียวก่อนที่จะรับประทานให้พิจารณาว่าเอื่นเป็นธาตุนะ อันนี้ไม่ใช่เราแต่ว่าเราจะไปพิจารณาโดยที่ยังไม่เกิดปัญญายังไม่ได้ปฏิบัติพิจารณาไงมันก็ไม่ออกครับมันก็เป็นเพียงสัญญาเท่านั้นเราก็ท่องกันอยู่งั้นอชงเอยย่าถามปฏิยังว่าอันนี้เป็นธาตุพิจารณาไว้ก่อนอันนี้เป็นธาตุข้างหน้าเราเนี่ยนะให้เราก็ธาตุอันหนึ่งนะดินน้ำนองไฟอันนี้ยินน้ำนองไฟนั่มันกําลังจะชนกันนะให้พิจารณานี้พอมาชนกันแล้วแบบพิจารณาขั้นที่สองอีกว่าขณะที่ฉันเคี้ยวนี่นะฉันกําลังบทธาตุทั้งสองให้มันเข้ากันเมื่อฉันไไม่ได้กินอาหาหร บทธาตุทั้งสองธาตุภายนอกภายในบทกันแล้ธรรมชาติทั้งหมดก็จะหลั่งไอตัวอน้ำย่อยออกมาเพื่อที่จะให้ให้ธรรมชาติอันเนี้ย <c oughs> สามารถดูดกลืนให้ลงได้ถ้าไม่มีธรรมชาติตรงนี้เข้ามาหล่อเลี้ยงลักษณะเกิดรสชาติตรงนี้ <c oughs> ถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาตัวแรกให้แตกให้เข้าใจซะก่อนแน่นอนความรู้สึกว่าสําคัญว่าอร่อยมันก็จะเกิดขึ้นแต่พอเรา แตกตีบทแตกของคำวิยถาปัจยังแล้วเราก็จะพิจารณาทุกคำกลืนเช่ไหมับตามท่วันนบอกว่าแต่ว่าเป็นอบัตทุกคำกลืนที่มาเท่าพิจนารณาเนะี่ยเพราะเราก็อบัตทุกวันก็เพราะอย่างนี้เป็นอบัติคือต้องกับความพอใจไม่พอใจบางคําอร่อยบางคําเผ็ดบางคำหวานบางคาําคเปรี้ยวบางคําเค็มเราก็โ น, นเนียอยู่กับรถเทีนี้ตัวอาสวะตรงนี้เกิดอยู่ดังนั้นแต่ความอร่อยตรงนี้ไม่ได้เป็นกิเลส น, นะครับมันเป็นธรรม ที่เพื่อให้ธาตุเนี่ยผสมกลมคืนกันเข้าไปได้ถ้ามันไม่เกิดความไม่เกิดรสชาติตรงนี้เนี่ยร่างกายหรือธรรมชาติตรงนี้ก็จะอยู่ไม่ได้คนก็จะไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมกินอะไรแต่ต้องสร้างธรรมชาตินี้ขึ้นมาเพื่อหล่อเลี้ยงอันเป็นธรรมชาติที่ละเอียดที่สุดนะครับ <c oughs> อัง น, นั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจะตั้งจิตว่ายอย่างไงว่าเราจะไม่ให้เกิดคําว่าอร่อยร่างกาย คำว่อาอร่อยเนี่ยเราให้รู้ว่าเออเพื่อบําบัดอะไรนะทีเวลาเราพิจารณาเพื่อบําบัดความหิวใช่ไหมมาให้เป็นไปเพื่อหนึ่งมาให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกําลังพลังทางกายไม่ให้เพื่อเป็นไม่ให้เพื่อระดับไม่ให้เพื่อปรุงแต่งลดไม่ให้ปรุงแต่งแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อเพื่อเป็นบําบัดความหิว เพื่อเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้และด้วยการทําอย่างนี้เราจะไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บอิติปุรานั่นจะเวทนางปฏิฮัมขามิย่อมบําบัดทุกขเวทนาเก่าคือความหิวได้และไม่ทําทุกนาะวันจะเวทนางปฏิอาทามิว่าไม่ทําทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นทีนี้ถ้าหากว่าในขณะฉันเนี่ยนะถ้าเราคอ ย, ยค่อยๆค่อยพิจารณาอยู่งนี้เสมอเนี่ยอย่างน้อยที่สุดความอยากความอร่อยที่เกิดตรงน้นมันก็จะช้าลงครับ พราะจิตของเราจุดมุ่งหมายเจตนาเราไปอยู่ที่เพียงเพื่อเพียงเพื่อนี่แหละไม่ใช่เป็นเพื่อเกิดกําลังพลังทางกายนะเพื่อนี่เพื่ อ, อดำลงอยู่ไดอย่างชีวิตเพื่อบำบัดทุกวิถีนาคือความหิวอันเก่าและเพื่อไม่สร้างกับเวทนาอันใหม่คือไม่ให้อิ่มเกินไปพิจารณาในขณะฉันนะให้พิจารณ์อย่างนี้แหละเวลาฉันไปแล้วท่านก็ต้องมาพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าเออไม่กี้ที่พระเจ้าฉันไปมันลืมคาไหนขอพิจารณาต่อใหม่นะก็ยังมีการทวนที่สามวานระนี่ย ในเรื่องอื่นท่านว่าให้พิจาราณาขนาดนั้นนะแต่เฉพาะปัจจัยสีเนี่ยต้องใช้พิญญาสามวาระเหมือนพิจาราณากฎหมายในสภาต้องผ่านวาระสามถึงจะปลอดภัยว่างั้นเถอะแต่หน้ามีพิถึงสามวาระเนี่ยก็ยากดังนั้นเราเข้าใจว่าโอ้คนที่จะทํางนี้ได้ก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นแหละพระอริยะบุคคลขั้นต้นควรจะทํายากอยู่ครับอันนี้ก็เป็นเป็นเครื่องมือนะครับ เราจะทำบทเสร็จเด็ดขาดเลยนั้นไม่ได้แต่พยายามเรื่อยๆครับพยายามพิจารณาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับศรัทธาของเราว่าเราต้องการที่จะเข้าถึงสภาวะไอหมดไอความอยากนี่เร็วแค่ไหนเราก็จะเพิ่มความเพียรมากแค่นั้นแต่เรายังไม่คิดว่าจะละไอความอยากประเภทนี้หมดไปในชาตินี้ได้ชาติหน้าต่อไปก็พร้อมที่จะเกิดอีกเมื่อมันอร่อยานี้อันนี้ก็แล้วแต่ศรัทธาและปัญญาของเราจะ หาวิธีเอาอะนะอันนี้ไม่สามารถจะบอกได้เลยว่าเราเราจะไม่ให้ชอบได้อย่างไรขึ้นอยู่ว่าเราพิจารณาทั้งสาปดเนี่ยจริงไหมถูกต้องไหมถี่ท่วนไหมทำทุกครั้งไหมแต่ถ้าเราทำด้วยความจริงใจถี่ท่วนถูกต้องเรวก็แน่นอนครับธาตุก็ชนธาตุแล้วก็รู้สึกถึงว่าอร่อยหรือไม่อร่อยถูกธาตุหรือไม่ถูกธาตุมันเป็นไปเพื่อการให้เราอร่อยต่อตอบสนองตันหาหรือเป็นไปเพื่อที่จะ ให้มันหายหิวให้ร่างกายนี้ดํารงอยู่ได้เท่านั้นเนี่ยตรงนี้นะครับเราจะต้องพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าแต่ในชีวิตจริงเราไม่ได้พิจารณาถึงขนาดนั้นนะใช่ไหมเพราะว่าเรายังไม่ปรารถนาที่จะไปนิพพานไวๆเหมือนเถอะแต่ว่าเอาทำเหตุตามปัจจัยไปเรื่อยๆก่อนดังนั้นตรงนี้ต้องตั้งใจต้องมีประกันเดียวครัะอาจารย์คือต้องพิจารณาให้สาววลาอย่างที่ว่านี่เขาได้มันจะเอาชนะความอยากตรงนี้ได้จริงๆนะครับอาจารย์คิดว่าเป็นไปได้ไหม โยมฟังเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจนะโอเคก็ถ้าไม่มีคําถามอะไรก็ขออนุทนาสาธุวันนี้เป็นเรื่องละเอียดยากนะครับเพราะเป็นคําถามที่พระท่านถามท่านมีภูมิพอสมควรที่ถามเรื่องนี้ได้จะคิดว่าโยมจะต้องนําไปพิจารณาด้วยแต่ว่าไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของพระของโยมนะเป็นเรื่องของคนที่จะพ้นจากทุกข์จริงๆที่ต้องการศึกษาเรื่องเนี้ย แต่บอกโอ้สร้างวาสนาบารมีไปก่อนเขายังไปเกิดอีกเยอะแยะก็นู่นน่ะชาติหน้าเขาไปว่ากันกันแล้วกันได้ว่ายังต่อรองกับตัวเองขนาดนั้นนะนะมันบอกาทุกนี่ให้หมดวัยที่สุดได้ยิ่งดีเนี่ยไม่ต้องไปต่อรองกับมันเลยแต่ถ้ายังต่อรองอยู่ในแง่ของปัญญาและศรัทธาอะไรไปไม่ถึงมันก็ต้องทุกข์ต่อไปแหละจะทุกข์ไปถึงไหนอันแล้วแต่ว่าวันไหนศรัทธาแรงบันดาลใจเกิดขึ้นวันไหนปัญญามันถึงพร้อมที่เห็นความสําคัญเรื่องของเรื่องนี้นั่นแหละเราจะเอาจริงเอาจังนะครับ ตอนนี้เราสุขก็ยังไม่สุขมากทุกก็ยังไม่ทุกมากพอทนได้ก็ทนไปก่อนแต่หารู้ไม่ว่าไอ้สุขทุกข์ที่เราพอทนได้ว่ามันจะมากขึ้นวันไหนเนี่ยเราประมาทนะครับเย่านั้นช่วงที่เรายังแขนขาดียังหูตาดีอาการสามที่สองครบเนี่ยทําเรื่องนี้ให้มากที่สุดถึงแหวนว่ากิเลสมันไม่หมดในชาตินี้มันก็เหลือน้อยมากแหละก็เหลืออีกชาติสองชาติหรือไม่ต้องจะมาเกิดใหม่หรือหมดชาตินี้เลยก็ได้ถ้าปัญญาพอแต่ถ้ามัน สติปัญญายังไม่พอก็อยาให้มันเกิดยาวเขาให้มันรู้ว่าเราจะเกิดจกอีกกี่ชาติเนี่ยรู้นะครับถ้าเราทําจริงๆรู้เพราะมันรู้ว่าการคิดของเราเนี่ยมันน้อยลงเลยอย่างความอยากของเรามันน้อยประเมินดูดนั้นถ้าความคิดของเราน้อยลงความอยากของเราน้อยลงก็คาดได้ว่าเราจะเกิดอีกไม่ไม่มากเพราะเชื้อมันเหลือน้อยเพราะเชื้อที่นำไปเกิดแล้วเกิดดีก็คือตัวนี้ตัวอยากนี่แหละตัวอร่อยนี่แหละนะ มันก็มีแค่สองตัวเนี่ยตัวอร่อยตัวไม่อร่อยตัวอร่อยคือตัวเกิดตัวไม่อร่อยเป็นตัวดับบางครั้งตัวอร่อยเป็นตัวดับตัวไม่อร่อยเป็นตัวเกิดก็เป็นการเกิดดับที่เราเห็นอยู่ถ้ามีความถี่สูงมันก็อร่อยมากมีความถี่ต่ําก็อร่อยน้อยแล้วความถี่ของมันสูงหรือต่ําก็เป็นการเกิดดับทางลิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปหลงว่าการเกิดดับที่มาทํางานตรงนั้นว่าเป็นเราเป็นเราผู้อร่อย ที่ทําหน้าที่ทางรูปนั่นเองแค่รถอาหารที่เกิดทางรูปนะ่ยยังกําหนดไม่เคยทันน ะ, ะที่นี้ไอ้ความชอบใจความติดใจข้างในเนี่ยมันจะยากขนาดไหนนะครับถ้าเราไม่เห็นการเกิดดับตัวจริงซะก่อ น, น ย, ยากมากดังนั้นก็ขออนุโมทนานะครับพี่ถามปัญหาดังนี้มีโอกาสจะได้วิเคราะห์จาะลึกเกี่ยวกับเรื่องสภาวธรรมแล้วก็นําไปพิจารณาอย่าเพิ่งเชื่อนะครับต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองซะก่อนแล้วเราได้สัมผัส ข, ของจริงเราจะรู้ว่ามัน คืออะไรกันแน่เราจะได้คำตอบด้วยตัวเองก็ในมูธนาสาธุแค่นี้ครับ